สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงกษัตรบทที่10ครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่13ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระราชินีแห่งเชบาโปรดฟังพระโอษณะของพระเจ้าเมื่อราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของโซโลมอน ซึ่งถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระยาเวก็เสด็จมาทดสอบโดยตั้งปัญหายากๆพระนางทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับกองคารวัลใหญ่มีอูดบรรทุกเครื่องเทศ ท, ทองคำจำนวนมากและเพชรนินจินดาพระนางเข้าเฝ้าโซโลมอนและทรงสนทนาทุกเรื่องที่ทรงดำริไว้โซโลมอน ทรงตอบปัญหาของพระนางได้ทุกข้อไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่กษัตริย์จะทรงอธิบายแก่พระนางเมื่อราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทั้งสิ้นของชซมลมและพระราชวังที่ทรงสร้างขึ้นอาหารบนโต๊ะสวยคาราชบริพานที่เข้าเฝ้ามหาเล็กในเครื่องแบบพนักงานเชิญจอกสวยและเครื่องเผาบูชามากมายซึ่งถวายที่พระวิหารขององค์พระวิญ้าพระนางก็ประหลาดพระไทยเป็นล้นพล พระนางตัดกับกษัตริย์ว่าที่หม่อมฉันได้ยินได้ฟังมาในประเทศของหม่อมฉันเกี่ยวกับความสำเร็จและพระปรีชาญาณของฝ่าบาทล้วนเป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่เชื่อมาก่อนเลยจนกระทั่งได้มาเห็นกับตาแท้จริงแล้วสิ่งที่หม่อมฉันได้ยินมาก็ยังไม่ถึงครึง่งพระปรีชาญาณและความมั่งคั่งของฝ่าบาทยิ่งใหญ่กว่าที่เขาล่ำหรือมากนักไพ่ฟ้าของฝ่าบาทคงมีความสุขยิ่งนัก ราชบริพารของฝาบาทก็คงมีความสุขที่ได้เข้าเฝ้าและสดับฟังพระปัญญาของฝาพบาทอยู่เสมอฉันเสริญพระยาเวพระเจ้าของฝาบาทที่ทรงโปรดปรานและตั้งฝาพบาทขึ้นของราชบัลลังก์แห่งอิสราเอลเนื่องด้วยความรักนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่ออิสราเอลจึงทรงตั้งฝาพบาทเป็นกษัตริย์เพื่อประดุงความยุติธรรมและความชอบธรรมจากนั้น ประนางถวายเครื่องบรรณาการแดกษัตริย์เป็นทองคำหนักประมาณสี่ตันเครื่องเทศมากมายและอัญมณีล้ำค่าไม่เคยมีใครนำเครื่องเทศมาถวายมากเท่ากับที่ราชนีแห่งเชบาทรงนำมาถวายแดกษัตริย์ซุลามอนอีกเลยกองเรือของฮีรามนำทองคำมาจากโอฟีพร้อมด้วยไม้จันจำนวนมากแต่เพชรนินจินดารํำค่า โซโลมอนทรงใช้ไม้จันทร์ทําเสาพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและราชวังทําพินเขาคู่และพินใหญ่สําหรับนักดนตรีไม่เคยเห็นการนําเข้าไม้จันทร์จํานวนมากมายขณะนั้นมาก่อนเลยกษัต <c oughs> ริย์โซโลมอนประทานทุกสิ่งตามที่ราชินีแห่งเชบ่าทรงประสงค์และทูลขอนอกเหนือจากของกํานันที่โซโลมอนประทานจากท้องพระคลังจากนั้นพระนางและขบวนตามเสด็จ ก็กลับสู่ประเทศของตนพี่น้องครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระราชนีเชบาที่มาพิสูจน์ด้วยตัวของพนางเองว่าสิ่งที่พนางได้ยินเกี่ยวกับซูลมอนนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วหลังจากที่ทั้งสองได้พบกันนะครับการทดสอบสติปัญญาก็เริ่มขึ้นในสมัยนั้นการทดสอบสติปัญญาไม่ใช่การสอบครับแต่ใช้วิธีโต้กัน โต้กันโดยใช้คำถามคมตอบก็เรียกว่าเป็น question and answer นะครับก็เป็นปริศนาหรือสุภาษิตพนางเชบาใช้วิธีนี้ในการที่จะทดสอบสติปัญญาของโซโลมอนเมื่อพนางได้พบว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้และประทานสติปัญญาให้กับโซโลมอนอย่างสูงที่สุดแล้วโซโลมอนก็ได้เห็น ถึงความมั่งคั่งมั่นคงและสติปัญญาของกษัตริย์โซมอนพระนางเชบานี้ไม่มีชื่อบันทึกอยู่ครับแต่พระคัมภีร์บรรยายว่ามาจากเมืองเีบาราชนีนี้ก็ประหลาดใจเป็นล้นพลและก็หมดสิ้นความสงสัยในเรื่องอำนาจพระสติปัญญาของกษัตริย์โซมอนราชนีแห่งเชบา ไม่ใช่เป็นคู่แข่งของโซโลมอนอีต่อไปแต่กลายเป็นผู้ที่ชื่นชมกษัตริย์โซโลมอนครับและบรรดากษัตริย์และผู้สูสงศักดิ์ทั้งหลายจากต่างประเทศก็ให้เกียรติโซโลมอนมากทีเดียวพี่น้องครับโซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นนักก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ในประตาอิสราเอลขณะที่โปร่งรงคลองราชนั้นโปร่งรงสร้างเมืองฮาโซเมกิดโดเมืองเกเซอร์เป็นเมืองป้อมปราการ หลังจากนั้นโปองก็ประดิษฐานสิ่งต่างๆที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองเอกเมืองรองนะครับตลอดจนพัสติปัญญาของโป่งนั้นก็แผ่ภาสารไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องชีววิทยาเรื่องทางสัสตว์ต่างๆในการตั้งชื่อพันธุ์ต่างๆเพียงครับนั่นคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในสมัยนั้น มี่ลดลบลดมาเยอะแยะมากมายครับและสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นของกํานันบ้างและเพื่อที่จะปกครองป ก, ปกป้องประเทศชาติบ้างนั่นคือสิ่งที่กัสโรมอนทำครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ประทับใจพระนางชีบามากพระราชนีที่มาจากชีบาพี่น้องครับมีผู้สงสัยว่าเชบานั้นเป็นดินแดนตรงไหนครับ นักวิชาการก็ได้เปดค้นคนว้าและให้คำตอบว่ามีสองทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งของเชบาเชบานั้นก็คือในสมัยนี้ทฤษฎีแรกนะครับอยู่ที่ประเทศเยเมนครับประเทศเยเมนนั้นอยู่ที่ไหนถ้าพี่น้องเปิดดูในแผนที่โลกเราจะพบว่าประเทศเยเมนนั้นก็คืออยู่ในแหลมหรือคาบสมุทรอาราเบีย ตอนใต้ครับใต้สุดเลยครับและค้าวสมุทรอาหรับียตรงนี้นะครับจะอยู่ติดกับทะเลอาหราบับีนะครับทะเลอาหราบับีนั้นก็จะเป็นทะเลทะเลที่สามารถจะเดินทางไปที่อินเดียได้ครับสามารถเดินทางไปที่สุมารตราสามารถเดินทางมาไทยได้ด้วยพี่น้องครับนั่นคือทะเลอาหรับี เยเมนนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอาร์เบียนะครับหรือคาบสมุทรอาหรับต่อจากคาบสมุทรอาหรับนะครับก็จะเป็นไปทางตะวันตกนั้นก็จะเป็นทวีปแอฟริกาพี่น้ครับเราเห็นนะครับว่าประเทศเ ย, ยเม น, นรหรือที่เรียกว่าเชบาในทฤษฎีแรกนั้นก็เรียกว่าอยู่กลางครับอยู่กลางเป็นเส้นทางการค้าขายของตะวันออกแล้วก็ตะวันตก และทวีปแอฟริกาทั้งทวีปพี่น้องครับเราจะเห็นตรงนี้ว่าพนังเชบานั้นหรือเมืองเชบานั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากอีกทฤษฎีหนึ่งครับก็คือเชบานั้นเป็นส่วนหนึ่งของเอธิโอเปียท่นหมายความว่าพนังชีบานั้นก็เป็นชาวแอฟริกันเลยนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เองครับถ้าเราเห็นแผนที่โลกนะครับ ประเทศเยเมนกับอ艾ธิโอเปียนั้นก็อยู่ใกล้กันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเยเมนกับไอธิโอเปียนั้นแท้จริงแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองโดยมีทะเลแดงเป็นตัวขั้นครับพอเราเห็นปมิมาสเร์ปุ๊บเราก็คงจะไม่แปลกใจครับว่ายัางไงก็ตามครับเชเบาเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของอิสราเอลและเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมาก เป็นเมืองที่มีอิทธิพลมากเลยนะครับในช่วงประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชเชบาได้กำไรจากการค้าขายทางทะเลระหว่างอินเดียและก็แอฟริกาตะวันออกการขนส่งสินค้าไปทางเหนือถึงดามัสกัสจะต้องผ่านอิสราเอลครับพี่น้องและกองคาราวานที่เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดาลเข้าไปในอิสราเอลผ่านดินแดนของขัตต์โซโลมอน จริงๆแล้วก็คือว่าจะต้องผูกสัมพันธ์กันให้ดีนะครับมีความเป็นไปได้ครับที่พระนางเชบานั้นเดินทางมาเพื่อที่จะมาติดต่อเจรจาทำการค้าเซ็น MOU ทั้งหลายกองเรือของชลโมนนั้นคุกคามอำนาจของการค้าการค้าของเชบาเป็นไปได้ครับและพระราชินีแห่งเชบาก็ได้พบว่า กษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่น่าคบหาสมาคมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องส่งสวยส่งเครื่องราชบรรณาการเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ทำให้เส้นทางการค้าขายระหว่างใต้นะครับใต้อิสราเอลไปถึงทางเหนือของอิสราเอลนะครับือคื อ, คอพวกซีเรียเลบานอนทั้งหลายสามารถที่จะส่งของผ่านดินแดนของอิสราเอลไปได้ นั่นแหละครับคือกระบวนการทางการทู่และการคาในที่สุดสิ่งที่พระราชินีเชบาพบเนนหนือกว่านั้นอีกครับพระนางได้ให้คําสรรเสริญแด่พระเจ้าพระ เ, ระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลในข้อที่9ครับพระราชินีเชบาสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของซุรโมนที่ได้ทรงโปรดปรารนซุรโมน และตั้งโซโลมอนขึ้นคลองราชบัลลังก์แห่งอิสราเอลเนื่องด้วยความรักนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมีต่ออิสราเอลตั้งโซโลมอนขึ้นมาเพื่อที่จะพดุงความยุติธรรมและความชอบธรรมครับนี่คือสิ่งที่พระราชินีชีบาได้คุยและสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของพวกเราที่พระเจ้าประทานมา พระเจ้าได้ทรงเจิมให้เป็นผู้นำในระดับต่างๆคำถามของผมในวันนี้ก็คือว่าเราได้สัมเดงพระเยซูให้คนอื่นเห็นและเขานั้นได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุชีวิตของเราหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องและรวมทั้งผมด้วยนะครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะทาผิดทำพลาดเราไม่ได้สําแดงพระเยซูมากเท่าที่ควร และการที่เราไม่สำแดงพระเยซูมากเท่าที่ควรก็เป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าเสื่อมพระเกียรติเราเองนั้นจะต้องกับใจใหม่ครับอาเมน